เรื่องลาบสักการะย่อมฆ่าคนชั่วพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงโกสัมพีตามพระอัทยาใสแล้วสเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงราชคร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 จกเสด็จโดยราชรถห้าร้อยคันไปบำรุงเทวทัตทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและจกรับสั่งให้นำพัตตาหารที่สมควรไปพระราชทานห้าร้อยสำรับเพียงใดเทวทัตก็พึงหวังความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเพียงนั้นหวังความเจริญไม่ได้ภิกษุทั้งหลายอาชาสัตรูกุมาร จะไปบำรุงพระเทวทั์ในเวลาเย็นเวลาเช้าพร้อมด้วยราชรถห้าร้อยคันจะนำพัฒตาหารห้าร้อยสำรับไปได้สักกี่วันภิกษุทั้งหลายความเสื่อมจากกุศลธรรมเป็นอันเทวทั์หวังได้ความเจริญอย่าได้หวังลาบสักการะและสันเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทั์ ก็เพื่อฆ่าตนเองลาบส ก, การะและการสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัตเพื่อความเสื่อมเหมือนคนเอาดีหมีทาที่จมูกลูกสุนักดุกลูกสุนักก็จะเพิ่มความดุยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายลาบส ก, การะและการสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเอง ลาบสักการะและการสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัตเพื่อความเสื่อมเหมือนต้นกล้วยออกปลีเพื่อฆ่าตนเองออกปลีเพื่อความเสื่อมพิกษุท์ทั้งหลายลาบสักการะและการสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองลาบสักการะและการสรนเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัตเพื่อความเสื่อม เหมือนต้นไผ่ตกขุยเพื่อฆ่าตนเองตกขุยเพื่อความเสื่อมภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและการสันเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองลาบสักการะและการสันเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัตเพื่อความเสื่อมเหมือนต้นอ้อตกขุยเพื่อฆ่าตนเอง ตกขุยเพื่อความเสื่อมภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและการสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองลาบสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัตเพื่อความเสื่อมเหมือนแม่หมาอัศดรตั้งคันเพื่อฆ่าตนเองตั้งคันเพื่อความเสื่อม พระผู้มีพระภาคครั้นตัดดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาประพันธ์ว่าผลกล้วยฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ข่าต้นไผ่ดอกอ้อข่าต้นอ้อลูกม้าอัสดรข่าแม่หมาฉันใดส ก, การะย่อมฆ่าคนชั่วฉันนั้น ปฐมพานวารณจบ